พระอนุบัญญัติ462เมื่อจีวรของภิกษุสำเปรจแล้วเมื่อกระถินดอดแล้วภิกษุพึงทรงอัตเรกจีวรไว้ได้สิบวันเป็นอย่างมากให้เกินกำหนดนั้นไปต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีเรื่องพระอนุ์จบ